เท่าที่อธิบายมานี่ท่านก็หนักใจแทนมนุษย์เป็นอันมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านได้เน้นอีกครั้งหนึ่งว่าคำว่าสายใยแห่งชีวิตขาดนั้นหมายถึงพลังที่สร้างกายเนื้อมาตั้งแต่แรกได้หมดเรียวแรงลงอย่างที่เรียกว่าสิ้นกรรมนั่นเอง เลือด คิดได้ก็ส่ายไป